ที่75ลำดับที่20โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่13กันยายน2558มีชื่อเรื่องว่าทานศีลภาวนามีคุณค่าและจัาเป็นที่สุด คณะสัตยาติยมจะฟังเทศเรียกว่าคารวะจบแล้วจะไปต่อฟังเทศเหรอ เ, เออเอาถท่าฟังเทศถ้าฟังเทศไม่จุใจนะหลวงพ่อมีหนังสือแจกอีกนะแถมอีกนะแล้วก็มีเอ3มพสามอีกนะเ อ, อจะแจกให้ให้ครบกันทุกคนเลยถ้าผู้ต้องการ เ, ออเตรียมพร้อมไว้อยู่ เตรียมพร้อมทั้งเอ3มพีสามทั้งหนังสือแจกให้คณะสัทธาญาติโยม <c oughs> อย่างทุกคน ท, ทุกครั้งที่เคยแจกมาหลวงพ่อเองคิดว่าไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าแจกธรรมะแจกทรรมคำสอนให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้เห็นว่าพวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาแล้วโอ้โหรู้สึกอบอุ่นอย่างมากนะเต็มศาลาใหญ่ อปีนี้ก็มีสองครั้งเล่เนี่ยนะมีครั้งหนึ่งกับอำเภอบ้านผือก็ไม่แพ้กันข่าวนี้ข่าวนี้กับบ้านผือข่าวที่แล้วคงไม่แพ้กันแต่ข่าวนั้นก็ล้นสลาเหมือนกันนะอขนาดนี้แหลนะเนี <c> ่ย <oughs> วันนี้เป็นวันที่สิบสามอาทิตย์ที่สิบสามกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดวันนี้เป็น เมื่อวานเป็นวันพระเป็นวันทำบุญข้าวประดับดินของพี่น้องประชาชนชาวอีสานบนของพวกเราแต่วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เห็นพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมแล ะ, ะขะสาราชการที่มานั่งต่อหน้าของหลวงพ่อรู้สึกว่ า, เ, าเต็มไปหมด เ, เห็นแล้วก็อบอุ่น กับพี่น้องประชาชนแต่ว่ า, าทางคณะเทศบาลเมืองหนองสำารงามีท่านนายกเสกสรรพนาวัฒนวงศ์พร้อมกับคุณแม่สุพรพนาวัฒนวงศ์แล้วก็คณะผู้บริหารานายกบริหารนายกอบตอ น้องสำรองเทศบาลนองสำรอทุกท่านฟังฟังดูที่นายกระวัาผู้ที่เกี่ยวข้องมาพูดให้หลวงพ่อฟังว่ามากเกือบทุกคนแล้วก็พี่น้องประชาชนอีกเจ0ดร้อยกว่าคนที่กลุ่มนี้กลุ่มเทศบาลเห็นแล้วก็เมื่อสามปีที่ผ่านมาใช่ไหมท่านนายก ที่ได้มาครั้งหนึ่งเนาะออจากนั้นก็ห่างไปออแต่มาปีนี้ก็ได้มาอีกและก็พร้อมกันก็มออีท่านพระอาจารย์เด่นที่เป็นหัวหน้าคณะอีกคณะหนึ่งมาจากวัดพระพุทธบาทบัวบกอำเภอหนองบัวซออุดรกับกลุ่มนะกลุ่มอาเภอหนองบัวซอแถวบ้านไหวแถวหนองบัวซ อ, อ, อที่มาคราวนี้อีกคณะหนึ่ง และอีกคณะหนึ่งก็พระอาจารย์ประเทืองวัดป่าธรรมประดิษฐ์อำเภอเพนกับคณะสัทยาญาติโยมประมาณคนประมาณ50กว่าคนที่อำเภอเพนนะแต่นวงบอสไม่ได้บอกว่าคณะใหญ่พอสมควรสรุปแล้ววันนี้ก็มีการมีเท่ามาคารวะหลวงพ่อมีสมคณ ะ, ะมีคณะ เทศบาลเมืองน้องสำโรงฯเยใหญ่กว่ามาทั้งหมดเจ0รอยกว่าท่านเจ0ดรอยกว่าคนเพราะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งสำหรับวัดของหลวงพ่อเห็นพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเข้ามาสู่วัดวานศาสนาอย่างอบอุ่นหลวงพ่อก็คิดไกลไปถึงว่า ต่อไปภายภาคหน้าพระพุทธศาสนาของเราก็คงจะอยู่คู่กับเมืองไทยของเราพวกเรานานเท่านานแต่ถึงยังไงก็ขอให้พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาไม่ใช่ว่าเดินผ่านวัดเข้าไปเฉยๆให้ศึกษาให้ศึกษาให้ฟังพาอหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของพวกเราท่านก็บอกกล่าวแนะนําให้พวกเราศึกษาและก็ปฏิบัติ ด, ด้วยไม่ใช่ดูแต่แผนที่นะศึกษาคือดูแผนที่จากนั้นก็ให้ลงมือปฏิบัติ ด, ด้วยจึงจะรู้แจ้งเห็นจริงในข้ออัดข้อธรรมที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนเพราะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา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 ในขณะที่ได้ยินได้ฟังหลักเหตุหลักผลของพระพุทธศาสนานี่แหละอันในสงแห่งการฟังสุดตามมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟัง เ, เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วก็นำมาฟังเหตุฟังผลก็เกิดสติปัญญาเรว่าสุดตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามมยะปัญญา ปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนที่ได้ยินได้ฟังมานี้ยอันนี้เราก็มาทบทวนมาพิจารณาการกรองไตรตรองเหตุและผลอีกนี่ว่าจินตามะยปัญญาภาวนามยปัญญาทําจิตใจให้สงบเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วท่านสอนว่าให้ทาจิตใจให้สงบเราก็พยายามทาจิตใจให้สงบ จิตใจให้เป็นหนึ่งในเมื่อจิตใจของเราผ่านความสงบแล้วนำที่จิตใจผ่านความสงบนั้นมาพิจารณาการกลองไตรตองเหตุและผลอีกอันนั้นเป็นปัญญาของพระพุทธศาสนาเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำภาษาวกให้ใช้ภาวนามย์ปัญญาให้จิตใจสงบซะก่อนจึงนำมาพิจารณาการกลองไตรตองเหตุและผลคือเดินวิปัสสนา จากนั้นพวกท่านทั้งหลายจะรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่อง ร, รมเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่รู้ตามเห็นตามความเป็นจริง น, นี่เรียกว่าภาวนามยปัญญาเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือทั้งเบื้องต้นว่าผู้ฟังยอมยอมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังจนถึงกัว่าเมื่อจิตใจเราาด้ฟังอัดฟังเหตุฟังผลจิตใจของเราได้รับความผ่องใส และก็สุดตามยปัญญาและกัะภาวนามยะปัญญาอันสุดท้ายอันนี้ก็สรุปแล้วก็คือพวกเราท่านทั้งหลายไปณนะสถานที่ใดผู้ดได้รับการศึกษาต้องได้รับการได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากทำคาสอนจากท่านที่ได้รู้รเรียนได้ศึกษามาแต่หลวงพ่อเองก็ไม่ใช่ประมาจานนะ หลวงปู่หลวงตาที่หลวงพ่อกําลังพูดหลวงพ่อไม่ใช่ปรมาจารย์แต่หลวงพ่อก็ได้ศึกษาแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาพอสมควรเิดวว่าอย่างนั้นนะทำไมจึงว่าพอสมควรเพราะว่าหลวงพ่อบวชมาตั้งแต่อายุ1ิิบเอ็ดย่างสิบสองปีเป็นสัมเณรนะยังเป็นเด็กทีเดียวเลยเป็นสัมเณรน้อยอยู่กับองค์หลวงปู่ล่าภูเจาก่อ จังหวัดมุกดาหารถ้าเราพวกเราไปกราบหลวงปู่หรือไปกราบเจดีหลวงปู่ล่าก็คงจะเห็นเป็นภูเขาหลวงพ่อบวชปี 2,500 นะั้นลูกหลานนะเป็นเนนกลึงพุทธกาลคือพระพุทธศาสนาท่านว่าพระพุทธศาสนาของเราจะอยู่ 5,000 ปีคนก็ฮือหากันว่า 2,500 เป็นการเป็นกลึงพุทธกาลแต่ตามไม่จริงพระพุทธศาสนาไม่มีที่สิ้นสุด แต่ว่าท่านเปรียบเปย๋ยเอาไว้ว่า้กลึงพุทธการเพราะนั้นหลวงพ่อเนี่ยเป็นสมเรณรสอนห้าร0เมื่อบวชเป็นสมณเณรอยู่8ปีจากนั้นหลวงพ่อก็ได้พอครบพระปี08นหลวงพ่อก็ได้บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาเป็นเป็นพระปี08นเป็นเนน2อ0 5นเป็นพระบวชปี08ปีนี้เป็นปี58 เป็นอันว่าหลวงพ่อฝากชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาพระทั้งหมด50าสิบปีเป็นสัมมเด่นอีก8ปี58ปีแต่หลวงพ่อเดี๋ยวนี้อายุ70็ดสป่าเข้า71็ดอนะเจอียย่างเข้าไปแล้วนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อจึงว่าหลวงพ่อมอบชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนายาวนานพอสมควรศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนา และการศึกษาของหลวงพ่อกัอนศึกษาตามธรรมชาติคือองค์หลวงปู่ล่าท่ทานเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่มั่นแต่ละวันถ้าว่าไม่ได้ยินชื่อเสียงหลวงปู่มั่นจากหลวงปู่ล่าแล้วก็คงจะไม่มีเพราะท่านถือว่าหลวงปู่มั่นเป็นปรมาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ของท่านท่านก็แนะนำสั่งสอนบอกเออสมดนจนถึงหลวงพ่อเป็นพระเป็นเวลา9ปีอยู่กับหลวงปู่ล่า จากนั้นมาอยู่กับองค์หลวงปู่จามก็เป็นหลวงอาหลวงอาคือหลวงปู่จามเป็นหลวงอานะเป็นน้องของพ่อแท้จากนั้นทําไมมาอยู่ที่นั่นก็พ่อมาเยี่ยมคุณยา่าคุณย่าของหลวงพ่อเนี่ยคุณปู่ของหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระโค้งชีวิตของท่านท่านบวชมาได้6ปีท่านก็มรณภาพแต่คุณยานะ่าบวชมาเกือบสี่ปีเป็นแม่ชีนะแต่หลวงปู่จามโค้งสุดท้ายหลวงปู่จามก็เป็นลูกของท่าน ท่านก็มาเยี่ยมแม่มาดูแลแม่ของท่านที่เป็นแม่ชีเพราะนั้นท่านก็มองไม่เห็นใครท่านก็เลยเอาพระเะทเป็นเป็นพระหลานของท่านมาเป็นเพื่อนเวลาเข้าไปสำนักชีบ้านห้วยทรายมันห่างกันพอสมควรหลวงพ่อก็ได้ไปเป็นเพื่อนของหลวงปู่จามค่อยๆว่าเป็นผู้ติดตามหลวงปู่จามจากนั้นเมื่อหลวงเมื่อโยมย่าโยมแม่ของ หลวงปู่จามเนี่ยที่เป็นโยมย่าของหลวงพ่อเนี่ยได้มรณ ะ, ะลงไปหลวงปู่จามก็เลยหนีออกจากห้วยทรายท่านไปอยู่ทางเชียงใหม่ตั้งสากว่าปีจากนั้นทองหลวงพ่อก็เลยท่านก็เลยชวนหลวงพ่อขึ้นไปทางเชียงใหม่ด้วยหลวงพ่อก็ได้ไปพักที่วัดเจดียด์หลวงจังหวัดเชียงใหม่แต่หลวงปู่หลวงอาจารย์ท่านบอกว่าตุ๊กที่บวชใหม่มาอยู่ในเมืองเนี่ยไม่เหมาะ ควรจะไปอยู่กับหลวงปู่แหวนท่านก็ได้ส่งหลวงพ่อไปอยู่กับหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอเพลา้าจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ไปจำพรรษาปีนั้นปี2510นะอยู่กับหลวงปู่แหวนพอเสร็จออกพรรษาแล้วหลวงพ่อก็ไปเที่ยวทุ ด, ดงแถบอำเภอเชียงดาวอำเภอฝางเสร็จแล้วก็ญาติพี่น้องลูกหลานของหลวงปู่จามเนี่ยลูก พวกกวงษาข้าหนายาดพองอาอาน้านาทั้งหลายเขาก็นิมนต์เห็นว่าพระบันห้วยทรายขาดอีกเขาก็ตามขึ้นไปเขาก็นิมนต์หลวงปู่จามลงมาเถอหลวงปู่จามก็ต้องหนีบหลวงพ่อลงมาเอกนี่ยหลวงพ่อก็มาจำพรรษาที่วัดหลวงปู่จามอีกที่หลวงอาพ่อจำพรรษาเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อเอ้ยหลวงอาผมอยู่บ้านคงไม่ไหวหรอกเพราะว่าผมเป็นพระน้อยพระหนุ่มถ้าผมเป็นถ้าว่าผมอยู่ที่บ้านเนี่ย ผมคงจะอยู่ในศาสนาไม่ได้ครับเพราะสิ่งล่อหูร่อตามันมีตั้งเยอะแยะเพราะคนรุ่นลาวคราวเดียวกันวัยรุ่นหนุ่มหนุ่มสาวสาวนะเพราะนั้นหลวงพ่อเด้ขอกลาบหลวงอาลวงอาเอาไปสิท่านก็เห็นจิตเห็นใจท่านก็เคยหนีจากบ้านมาพอแรงฮะที่ท่านหลวงพ่อก็เลยลาหลวงอาเสร็จแล้วก็ขึ้นมาทางนาครพนมมาศึกษากับครูบาอาจารย์มาอยู่กับหลวงปู่ ฉิมหลวงปู่แว่นหลวงปู่ฟัน้นสมัยท่านยันยังมีชีวิตอยู่จากนั้นก็หลวงปู่สมัยหลวงปูสงป่สุพัฒน์หลวงปู่สิงห์ทองและก็ขึ้นมาทางหลวงปู่ขาวหลวงปู่น้องแสงหลวงปู่ปู่ปัวนลวงแสงหลวงปู่อ่อนจากนั้นก็เข้าประจำพรรษาปี2512ัที่วัดป่าบ้านตาดจากนั้นก็ออก จำพรรษาเป็นเวลา14ปีอยู่2525ห 25. ลวงพ่อก็ออกจากบ้านตาดมาสร้างที่วัดป่านาคำน้อยแห่งนี้เพราะนั้นหลวงพ่อเองเป็นพระที่แต่แตสมเณรศึกษากับครูบาอาจารย์พึ่งออกมาจากอ ง, องค์ครูบาอาจารย์ปี2500น้ี่มาอยู่ที่นี่แต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็ยังแวะเวียนเข้าไปกราบคาระวะองหลวงตายโดยสม่ำเสมอ และองค์หลวงตาเองท่านก็ามาที่วัดป่านาคำน้อยของเราโดยสม่าเสมออีกเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อถือว่าหลวงพ่อได้ศึกษาแนวธรรมะปฏิ ป, ป, ฏ ป, ป, ฏปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารยา์จากองค์หลวงปู่ล่าแล้ว็จากองค์หลวงตามหาบวัว เ, เป็นส่วนหลักทีเดียวเพราะนั้นหลวงพ่อจึงมั่นใจว่าการแนะนาบอกกล่าวของหลวงพ่อให้กับคณะทศทญาติโยม น้องรุ่งทั้งหลายพระสงฆ์ทางหลายน้องรุ่งทั้งหลายที่เกิดใหม่ใหญ่ที่หลังหลวงพ่อก็นําแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาบอกกล่าวเพราะฉะนั้นถึงหลวงพ่อจะพูดไว้ใน MP3 มพามหลายแผ่นก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังดูว่าข้ออัดข้อธรรมไหนที่มันแปลกแวกแนวจากปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าพวกเราฟังแล้วไม่สนิทใจ หรือไม่สบายใจในหลักธรรมคำสอนที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวออกไปนั้นหลวงพ่อเองก็อยากจะฟังกับคณะศรัทธาญาติโยมพระเนน้องนุ่งทั้งหลายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการบอกกล่าวธรรมะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแป่นสี่พันพระธรรมขันธ์นะมากมายเพราะนั้นพระพุทธองค์ท่านก็เคยตรัสกับพระสงฆ์ว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลาย สมัยหนึ่งท่านไปนั่งอยู่ขอบสะในป่าแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นคงจะเป็นช่วงที่ใบไม้ร่วงใบไม้ร่วงเขาคงจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์น่าไม้ใบไม้ประดู่มันร่วงลงมาในพื้นดินพระพุทธองค์ก็เอามือกวาดกวาดพอกวาดขึ้นมาแล้วท่านก็กําใบไม้ชูขึ้นมาบอกว่าดูก่อนสงทั้งหลายเราตถาคต ที่กำใบกวาดใบไม้ประดูอยู่ในกรรมมือของเรากับใบไม้ประดูที่มันหล่นลงไปเนี่ยอันไหนมากกว่ากันพระสงฆ์ทั้งหลายกราบทูลว่าใบไม้ในกรรมมือของพระพุทธองค์น้อยนิดเดียวพระเจ้าค่ะใบไม้ประดูที่มันหล่นเลยแผ่นดินะมากกว่าพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็บอกว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายอันนี้คือความเปรียบเทียบให้ให้พวกท่านทั้งหลายฟัง ทมที่เราได้ตัดรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณที่โคนต้นโพนะมากมายมหาศาลเหมือนกับนี่แหละเหมือนกับใบไม้ประดู่ที่มันลนหลนเกลื่อนกาศไปในแผ่นดินแต่เราไม่ได้นำมาสอนพวกท่านแต่เราเอาแต่สิ่งที่จะเกิดประโยชน์จะทำยังไงจึงจะทำให้จิตใจของเราเบื่อหน่ายคลายและหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเนี่ยนะที่ที่เรานำทำคำสอนมา อยู่ในกำรร ม, มือของเราเนี่ยเพียงแค่นี้แต่เราที่สิ่งที่เรารู้มีมากมายแต่ดูแล้วไม่เกิดประโยชน์กับพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละสรุปแล้วก็คือขนาดใบไม้ในกำ ม, มือเพียงแค่นั้นแหละพระธรรม8ปด0 0ื่สีพันพระธรรมขันมีหลายแง่หลายแง่แนวความคิดในพระธรรมคําสอนนั้นมากทีเดียวเพราะนั้น อย่างครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์ท่านจะถนัดตรงไหนท่านก็เอานำทำคาสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวให้ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเป็นเรื่องราวเท่านั้นเองเป็นเรื่องจุดๆเท่านั้นเองอย่างหลวงพ่อก็เช่นเดียวกันที่นํำวิธรรมคําสอนในพัตรไตรปิฎกหรือนํำทำคําสอนของหลวงพ่อที่ได้ประสบการณ์หรือได้ปฏิบัติมารู้เห็นอย่างไร ได้ปฏิบัติหรือว่าได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์ได้รับรู้รับทราบมาอย่างไรแล้วได้อ่านหนังสือในพระไตรปิฎกเป็นชาดกหรือเป็นเรื่องราวต่างๆหลวงพ่อก็ได้นํามาประยุกต์และก็มาดอกบอกกล่าวที่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์สิ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วเกิดประโยชน์หลวงพ่อก็ได้นําเรื่องนั้นๆมาขยายมาบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่าน เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปคิดนำไปพิจารณาในเรื่องที่พวกเราได้ยินได้ฟังแต่วันนี้หลวงพ่อได้เห็นคณะศรัทธาญาติโยมมามากอย่างนี้หลวงพ่อเองก็อยากจะเน้นหนักเรื่องคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเราจะอยู่อย่างไรที่จะอยู่ด้วยความร่มเย็นผาสุขในการดำรงชีพของพวกเราหลวงพ่อมองไม่เห็นอย่างอื่น ถ้าหากว่าพวกเราห่างเหินศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมแล้วมีแต่เดินเข้าไปหารกหาผะหาพงมีแต่เข้าไปหาความร้อนคือไปหาฟืนหาไฟถ้าเราพวกเราเดินเข้ามาสู่วัดวาศาสานาสู่ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเหมือนกับเราเดินเข้ามาหาความสุขทางสุขทางจิตใจเพราะเหตุใดเพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะเป็นกฎ เกณฑ์กฎระเบียบแต่ก็พวกเราได้ศึกษาดูแล้วเป็นธรรมที่ร่มเย็นเป็นสุขที่หลวงพ่อได้ศึกษาแล้วก็ได้กันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนหลวงพ่อมานะหลวงพ่อก็ได้นามาสอนพวกเราท่านทั้งหลายผู้บาอาจารย์ท่านสอนอย่างไรสําหรับศรัทธาญาติโยมท่านก็ให้มีทานเนให้มีทาน ถ้าคนเราอยู่ด้วยกันไม่มีการเสียสละต่อกันมีแต่เห็นแก่ตัวพวกเราอยู่ด้วยกันก็ไม่ยืดเพราะเหตุไยเพราะว่าไม่มีการมีน้ำใจไม่มีการเสียสละต่อกันเพราะนั้นต้องมีทานะคือการเสียสละต่อเพื่อนออควรจะเลี้ยงการให้ตามความเหมาะสม เ, เมื่อเมื่อเจ้านายก็ดูแลลูกน้องลูกน้องก็ดูแลเจ้านาย เอ่่เกื้อกูลหนุนกันแล้วก็พวกเราก็จะไปด้วยกันได้มีแต่ความร่มเย็นผาสุกในหมู่ในกลุ่มในคณะของพวกเราอันนี้ก็คือมีน้ำใจต่อกันเทว่าทานะคือการเสียสละและศีละคือคือรักษาศีลให้คนพวกเราต้องเป็นผู้มีศีลเอยอย่าไปคิดเบียดเบียนซึ่งกันและกันสรุปแล้วก็คือศีลข้อที่หนึ่งอย่าไปคิดฆ่ากันนะคิดฆ่ากันคาว่าฆ่าคานี้นะ่ะ ่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนถ้าเขาคิดค่าเราเราก็เดือดร้อนถ้าคิดค่าคนอื่นเขาก็ขเขาก็เดือดร้อนเพราะนั้นให้มีเมตตามีน้ําใจต่อกันอย่าไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านเป็นธรรมมาธิปไตยท่านเป็นประชาธิปไตยท่านมีแต่ความเมตตาเป็นหลักเพราะฉะนั้นพวกคําสอนออกมาพวกท่านทั้งหลายอย่าคิดเบียดเบียนกันอย่าคิดค่ากันข้อที่สองอย่าคิดขโมยกัน ه, เพื่อเราไปขโมยของเขาเขาเดือดร้อนเขามาขโมยของเราก็เช่นเดียวกันเราก็เดือดร้อนข้อที่สามกาเมสุมิชฌาจานสามีภรรยาลูกหลานของขายของเขาเขาก็รักเหมือนกับของเราถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจยถ้าเขามาล่วงล้ำเราเราก็เสียใจยเช่นเดียวกันเท่านั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันอันนี้สินข้อที่สมุสาวาทาเวรมณี อย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุนโกหกหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจถ้าเราเขามาต้มตุนหลอกลวงเราก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพซึ่งกันและกันสรุปแล้วคือสินของพระพุทธเจ้าเขาเราเขาเราให้พวกเราสังเกตนะสินข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สนี่เขาเราถ้าเราไปทำให้กับเขาเขาก็เดือดร้อนถ้าเขามาทาให้กับเราล่ะ เราก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันอันนี้คือสินของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อื่นไกลนะข้าพนัทตธธา ญ, ญายาจอมลูกหลานอยู่กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านคือกฎกติกากฎระเบียบเหล่านี้นะศินข้อที่หศาสินสุราเมระยะมชะประมา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่แหละตัวนี้แหละทําให้ค้าราชการหรือว่าพ่อค้าหรือว่าท่านผู้ใดก็ตามท่านดื่มเข้าไปแล้วขาดติ หลุดออกจากตำแหน่งมีมากต่อมากเสียคู่เสียคนมากต่อมากเสียยศถาบรรดาศักดิ์มากต่อมากเสียชื่อเสียงมากต่อมากพอดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อขาดสติแล้รทำความชั่วได้ทุกอย่างเพราะคนขาดสติเพราะนั้นหลวงพ่อจึงเปรียบเทียบ ว, ว่าเหมือนกับสินข้อที่ห้าเนี่ยเหมือนกับหลังคาศาลาหลังนี้แหละที่พวกเรานั่งอยู่ ถ้าหาว่าพวกเราไม่มีสังกะสีหรือกระเบื้องมุงหลังคาพวกเราจะอยู่ได้ไหมในพื้นเนี่ยคงจะอยู่ไม่ได้เพราะแดดมันร้อนแดดมันส่องลงมาถ้าฝนตกฝนตกลงมาพวกเราก็อยู่ไม่ได้อีกของอยู่ในนี้ก็เปียกปอนไปหมดเสียหายไปหมดเ อ, อเพราะเหตุไรเพราะไม่มีหลังคาแต่ถ้ามีหลังคาอย่างนี้พวกเราเข้ามาก็รู้สึกว่าได้รับความปกป้องอบอุ่นเพราะเหไรเพราะ อาคารหลังนี้มีสาลามีหลังคานี้ก็เหมือนกันสินข้อที่หนะ้าเลยคือศินกระเบื้องสินสังกสีมุงหลังคาคนเราทุกพวกเราคิดดูสิถ้ามีเงินร้อยล้านพันล้านจะมากมายขนาดไหนก็เถอะถ้าเป็นบ้าเส่อย่างเดียวขาดเสตติเส่อย่างเดียวพูดอะไรไม่รู้เรื่องเส่อย่างเดียวเท่านั้นนะสมบัติทั้งหลายไม่มีคุณค่าสําหรับคนคนนั้นนี้ก็เหมือนกัน ถ้าว่าคนเมาไม่รู้จักเวลางเวลาไม่รู้จักเรื่องราวต่างๆขาดทติอยู่ตลอดเวลาพวกเราคิดดูสิว่าคนนั้นจะมีคุณค่าไหมมีประโยชน์ในชุมชนสังคมไหมนี่แหละสินข้อที่5้าให้พวกเราสำรวมระวังอย่าไป ใ, ใกล้นั้นแหละเป็นดีที่สุดนี่แหละคือศีลธรรมของพระพทุทธเจ้าเรื่องศีลหนะ้าอย่าพวกเราท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามนะอันนี้ก็คือเรื่องทานเรื่องศีล เรื่องภาวนาเรื่องภาวนาเนี่เป็นพวกเราฟังแล้วเรื่องภาวนาเนี่เป็นเรื่องของพระสงฆ์องค์พระเจ้าเป็นพระเรื่องของพระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่ในป่าดงพงไพ่ท่านนั่งสมาธิภาวนาแต่ตามไม่จริงเรื่องภาวนาเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัท4อุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามมเนนเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะการศรัทธาญาติโยมลูกหลานอย่าไปมองเป็นอย่างอื่นคือสมาธิเนี่ยทำจิตใจให้สงบ ถ้าคนมีจิตใจนิ่งปิดจิตใจสงบจิตใจที่เป็นหนึ่งอยู่แล้วไปน่งสถานที่ใดมีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดไม่เป็นบ้าอย่างที่ว่านะาไปที่ไปที่ใดก็อยู่มีสติคิดดูเจะคิดจะพูดจะทำํำสิ่งไหนก็ตามมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองถึงจะไม่ว่าภาวนาจะว่าภาวนาไม่ภาวนาก็เถอะจะตั้งชื่อไม่ตั้งชื่อก็ไม่เป็นไร แต่ให้มีสติอยู่กับตัวเองนั่นแหละคือภาวนาแล้วออคือทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งจิตใจให้อยู่กับตัวเองมีสติสัมปชัญญะแต่เมื่อมีสติสัมปชัญญะ เ, เราคิดเราทําคนที่มีสติพูดคนที่มีสติทำออสิ่งใดก็ตามนั่นแหละน่าดูน่าฟังทั้งนั้นแต่เมื่อเราจะดูให้ลึกเข้าไปอีกทาจิตใจให้สงบท่นี้ อย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์องหลวงปู่หลวงตาที่ท่านบอกให้ภาวนาอย่างลึกเข้าไปอีกอย่างลึกเข้าไปให้อยู่จุดใดจุดหนึ่งไอ้จุดนั้นก็คือให้มีสติสัมปชัญญะเนี่ยคือจุดกว้างนะแต่จุดแคบเข้าไปอีกให้กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้น ในเมื่อเรามีจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วใจใจรวมลงเป็นหนึ่งนี่แหละหลักของพุทธศาสนาเนี่ยคือใจทำให้จิตใจรวมลงเป็นหนึ่งในเมื่อ จ, จิตใจของเรารวมลงเป็นหนึ่งแล้วมีมี ส, มสติมีกายมีใจพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเท่นี่เวลาเรานั่งภาวนาใจรวมลงไปแล้วเราจะรู้กายเป็นอันหนึ่งนะเท่นี่นะ กายเป็นอันหนึ่งใจเป็นอันหนึ่งใจเนี่ยคือนามธรรมใจเนี่ยคือกายเนี่ยเป็นรูปธปรรมรูปธปรรมกันนามธรรมอาศัยกันอยู่แต่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันหลวงพ่อก็เลยมาเปรียบเทียบให้พวกคณะสัทธาญาิโยมลูกหลานได้ฟังชัดๆใกล้ๆว่าร่างกายเหมือนกับรถนะลูกหลานนะแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถนะคนขับรถเนี่ยคือนามธรรมแต่จิตใจเนี่ยเป็นรูปธรรม แต่มันอาศัยกันอยู่ในสองอย่างนี่แต่ร่างกายเนี่ยรู ป, ปรธรรมเนี่ยแตกตายสลายสู่ดินน้ำลมไฟเท่าแก่ชราแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่จิตใจเนี่ยเป็นหนุ่มอยู่เสมอนะไม่เท่าไม่แก่น ะ, ะแต่ถึงยังไงก็จ ะ, เ, ะเหมือนกับเราโซเฟอร์เนี่ย เ, เราขับรถถ้าเราใช้ไป น, นานๆรถมันมันหลวมโขกเขกน ะ, ะแต่โซเฟอร์นี่ยยังจะเหยียบรถตะพัดตะเพออยู่ แต่ว่ารถเนี่ยมันแก่แต่ว่าใจของเราเนี่ยไม่แก่นะเพราะนั้นในเมื่อเรานั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายเป็นอันหนึ่งจิตใจเป็นอันหนึ่งแตเ่เมื่อร่างกายแตกสลายหลงสู่ดินน้ำลงไฟตาใจของเราเนี่ยออกจากร่างนะไปไปฏิสนธิไปเกิดที่อื่นเอก อันนี้พวกเราให้ศึกษาพราะหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าว่ะตายแล้วไม่สูญนะยืนยันในเราวะ่าตายแล้วไม่สูญพระพุทธพระพุทธศาสนานีพา่พระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านหนีออกจากเวียงวังไปบําเพ็ญอยู่ในป่าเนี่ยค้นคว้าศึกษาอยู่เป็นเวลาทั้ง6ปีแต่วันเดือนหกเพนน์นั่นวันที่สุดสําเร็จวันนั้ น, นพระองค์นั่งขัดสมาธิตอนหัวค่า นั่งขัดสมาธิเหมือนพระประธานองค์ดําของเรานั่งอย่างเนี้ยท่านนั่งอย่างนี้แหละพอพุทธเจ้านั่งในวันเดือนหกเพ็นน่ยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกจากนั้นพระไทยใจของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดญาณทัศนะเกิดฌานขึ้นมาเกิดความรู้พิเศษขึ้นมา ปุเพนิวาสารุจติยานระลึกชาติทนหลังได้ถ้าพระพุทธองค์เกิดมาชาตินี้ชาติเดียว<อ> <ians> พระองค์จะระลึกชาติทนหลังได้อย่างไงเมื่อเราเกิดมาวันนี้ไม่มีเมื่อวานใช่ไหอไม่มีเมื่อวานแล้ว เ, เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวเราก็คงจะระลึกถึงเมื่อวานไม่ได้วันก่อนไม่ได้อาทิตย์ก่อนเดือนก่อนปีก่อนไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราเกิดมาวันนี้วันเดียวอันนี้พระพะทุทธเจ้าตรันว่าปุเพนิวาสารุจติยานระลึกชาติทนหลังได้ ท่านน้ท่านระลึกชาติทดหลังได้ยาวเหยียดเลยท่านนอาพอดูชาติทดหลังได้แล้วมาถึงจุดที่ท่านอยู่เดี่ยวนี้ท่านนี่คือปัจจุบันท่านก็มองดูสัตว์อื่นอีกท่นนี่มองดูอย่างพวกเราท่านทั้งหลายพันกว่าชีวิตที่พวกเรานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยอาจจะกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยมาจากไหนมาเกิดพระพุทธองค์มองดูนะท่านนี่จะมองดูผู้ใด มาจากไหนมาเกิดมาทำไมคนไม่เหมือนกันความเฉลียวฉลาดความล่ำความรวยความสวยความงามการพิกงพิการเจ็บไข้ได้ป่วยทำไมไม่เหมือนกันพระองค์บอกว่ากรรมกรรมจำแนกให้สับพสัตทั้งหลายเพราะฉะนั้นกรรมคานี้หนละกรรมคือการกระทำการทำการทกรทกรม ท, ทำได้สามทางมนโนกรรมคือคิดทางใจกายกรรมคือการกระทาว่าทางกาย ว่าจีกรรมคือการพูดการคิดไม่เหมือนกันการทําไม่เหมือนกันการพูดไม่เหมือนกันนี่แหละกรรมเมื่อการคิดทําพูดไม่เหมือนกันนะกรรมที่การกระทําลงไปนะจําแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแตกแตกต่างกันเพราะกรรมจําแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะ น, นั้นพระพุทธองค์จึงตรัสเป็นพระบาลีว่าอากตังดุกตังเส้ยโยปัชฌาตะปฏิทุกตัง คำชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วกรคำชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่คือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาติโยมลูกหลานทุกคนนะ่ะเรื่องทานก็จําเป็นเรื่องศีลก็จําเป็นเรื่องภาวน า, เ, าเพื่อจะหาหลักเหตุผลเข้าสู่ ตัวของเราก็จําเป็นถ้าเราไม่เคยภาวนาไม่เคยเจิตไม่เคยสงบเฉเลยไม่เคยภาวนาเฉเลยเขาหลอกไปที่ไหนก็ได้นะ เ, เขาพูดอย่างนั้นในนี้เขาอ้างเหตุผลทางกิเลสอ้างเหตุผลมาเราก็คอยตามเชื่อเขาตามแต่ถ้าว่าผู้ที่ภาวนาทําจิตใจให้สงบจิตใจเป็นหนึ่งแล้วจะเชื่อตนเองนะทีนี้เขาหลอกไปยังไงเขาบอกไปยัไงไม่เชื่อทั้งนั้นเพราะเราเห็นอยู่กับตัวเองแท้แทน ใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งกายกับใจเป็นคนละอ่านกันเห็นได้ชัดเนี้ยร่างกา ย, นายนเนี่ยตายสู่ดินน้ำลมไฟแนี่ยแต่จิตใจคือนามตัวนมามธรรมนี่จะต้องไปหาเกิดในพพภูมิต่างๆตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> เราทําจิตใจให้สงบแล้วนะจิตใจผ่านความสงบแล้วเราจะรู้ได้โดยตนเองนะ พี่น้องประชาชนจัดทายาตโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอยู่น่าจัดฐานที่ใดอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจแต่ร่างกายของเรานี่ถึงจะมีข้าวน้ำาโวชนะอาหารมีเงินคำทรัพสมรดมั่งมีสีสุขร่ำรวยเป็นห ล, าย ล, า, ยลายล้านหลายล้าน10ล้านร้อยล้า น, า น, านก็เถอะนะ เออเอามาปัจจัยสี่มาเลี้ยงร่างกายของเราเอออยู่ดีกินดีขนาดไหนอาหารดีขนาดไหนผ้านุ่งห่มดีขนาดไหนยาแก้โรคภัยไข้เจ็บดีขนาดไหนที่อยู่อาศัยหรูหราโอ้อาขนาดไหนร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอนะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะนะเลี้ยงร่างกายอีกสักวันนึงเราก็เห็นผมขาวเห็นฟันหลุดเห็นตาฝ้า ฟ, า, ฟางเห็นหูตึงเห็นหนังเหี่ยว เห็นหลังค่อมอพอในสุก็เป็นนอนอยู่ที่เตียงแล้วก็ลุกกระดุกกระดิกไม่ได้เพราะอายุมากแก่แล้วนะพอในสุดก็ถึงข่าวตายนี่นะเลี้ยงร่างกายเลี้ยงขนาดไหนก็มีจุดจบนะแต่จิตใจคือนามธรรมจุดนั้นนะที่พวกเราเข้ามาสู่วัดวาศาสนาอย่างนี้นะพวกเรามาสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจนะว่าอาหารกายในะอย่างหนึ่ง อาหารใจนี่คืออย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นหลวงพ่อแนะนําเรื่องอาหารของใจเพราะหลวงพ่อได้ศึกษามาทางนี้นะ่ะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าหลวงพ่อบวชมาตั้งแต่เป็นเนน้อยจะมาเป็นครูบาหนุ่มจากนั้นก็ได้มาศึกษาจนเป็นหลวงปู่หลวงตาอายุเจ็ดสิบกว่าฝากชีวิตไว้ในพุทธศาสนาเป็นเวลาห้าสิบกว่าปีเอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟัง วันนั้นคือแนวความคิดที่หลวงพ่อมีประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์ด้วยแล้วก็ได้อ่านทํำรับตําร า, ราประกอบเข้ามาด้วย เ, เป็นความจริงนะเพราะฉะนั้นจริงบอกกล่าวให้กนัชธายาิโจมทั้งหลายทุกคนนะให้เชื่อบุญเชื่อกุศลทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วกรรมชั่วคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่า อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวการกล่าวสมโภชธนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระสีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกด้วยบุญบรารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายที่เรารักเคารพนับถือเลื่อมใสขอให้มาคุ้มครอง พระสงฆ์น้องหนุ่งทางหลายตลอดพี่น้องประชาชนทุ่งหมเหล่าจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาดวงตาเห็นธรรมในที่สุดทุกทุกท่านด้วยเธอ